หัวข้อประจําวาระอาบัติที่ต้องด้วยวาจาของตนอาบัติที่ต้องด้วยกายอาบัติที่หลับแล้วต้องอาบัติที่ไม่ตั้งใจต้องอาบัติที่ต้องด้วยกรรมบูหานสี่อย่างปาราชิกของภิกษุปาราชิกของภิกษุณีบริขารอาบัติที่ต้องต่อหน้าอาบัติที่ไม่รู้จึงต้อง อาบัดที่ต้องทางกายอาบัตที่ต้องในถ้ำกลางการออกจากอาบัตสองหมวดได้เพศใหม่การโจ์ปริวาทมานัตรัตติเฉดของภิกษุผู้ประพฤติมานัตพระบัญญัติที่ทรงยกขึ้นแสดงเองกาลิกที่รับประเคนยามหาวิกัตกรรมสองหมวดวิบัติ อธทิกรภิกษุผู้ทุสินพุทธิุผูมีศินดีงามอาบัตที่พิกษุอคันตุกะต้องอาบัตที่พิกษุผู้เตรียมไปต้องความที่สิกขาบทมีวัตถุต่างกันความที่สิกขาบทมีวัตถุเสมอกันอาบัตที่อุปชาและอาจารย์ต้องปัจจัยแห่งการขาดพรรษาวจีทุจริต วจีสุดจริตการถือเอาทรัพย์บุคคลควรอภิวาสบุคคลควรแก่อาสนะอาบัติที่ต้องในการของที่ควรอาบัติที่ต้องในปัจจันตะชนบทของที่ควรในปัจจันตชนบทออาบัติที่ต้องในภายในออาบัติที่ต้องในภายในสีมา อาบัตที่ต้องในหมู่บ้านการโจ์บุพภกิจความพรั่งพร้อมที่ถึงแล้วอาบัตปาจิตตีไม่มีอะไรอื่นการสมมติการถึงอคติการไม่ถึงอคติภิกษุอลัชชีภิกษุมีศีลดีงามภิกษุผู้ไม่ควรถามสองหมวด ภิกษุที่ไม่ควรได้รับคำตอบสองหมวดภิกษุที่ควรได้รับคำถามภิกษุที่ไม่ควรสนทนาด้วยอาบัติที่ภิกษุเป็นไข้ต้องการงดปาติโมก